เพลงตามรอยบัวเพลงเพื่อถวายบูชาแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนเนื้อร้องทำนองขับร้องโดยโจโฉดนตรีและเรียบเรียงโดยว่าทิดปุปปนิคิดและกรุ่มวิงแมนกรุ๊ปเกิดมาจากคลอนต้งเมื่อผลโผลคอบน้ำมาเป็นดอกไม้บู คงค่าคุณแห่งดอกบัวในสายทานแห่งการวหวนผู้คนหมุนเวียนเปลี่ยนชั้นเรื่อยมา เรียบดังดอกบัวนั้นนากว่าจะพลพ้นมาอยู่เนื้อทารางดงามมีพระหนึ่งเป็นยอดคนไหว้วนพ้นไปจัด ก, การไหวเวียนปฏิบัติเมต ชาพระพุทธ อ, องค์เป็นพระอริยสงฆ์มหาบุรุษหนึ่งเดียวพระมหาบุรุษสุนรวมสักธร เปรียบเหมือนนอบัวเกลือกลัวคล้าโคลนกิเลสมายาเวียนว่ายลุ่มหลงเวียนวนวัาตสงสารกว่าจะพลพ้นกรามสายน้ำเวียนทุกระธม เรียกเหมือนยอดบัวพลีบานพ้นน้ำสว่างสวยแม่ลอยขึ้นบนพ้นมาแต่บัวยังมีสายใยพระธรรมคือทางไว้ให้ลูกหลานเด็กตามร้อยบัวรามา พระมหาบุรลูกน้องบูชาพระมหาบรลูกไหว้วันธาพระมหาบุ ร, ล, ร, บบรลูกขอสัญญาจะมีคุ้โทษเป็นหนึ่งกับลมหาย ทางมรคคาจะไลลพุนหยุดเวียนวนอยู่เนื้อทารานอบน้อมภาวนาบูชาพระมหาบัวแวกไหวเวียนไปวันหนึ่งจะอยู่เนื้อนานจะเป็นบัวงามเดินตาม